เจ็ดผู้เป็นที่รักของมหาชนพระพุทธภาสิตศีลทัตสนะสัมปันนังธรรมะถังสัจวาทิหนังอัตโนโกรมมกุปพานังตังชะโนกุรุเตปิยังแปลว่ามหาชนย่อมรักคนที่มีศีลมีความเห็นดีตั้งอยู่ในธรรมพูดจริงเป็นปกติ และทางานอันเป็นหน้าที่ของตนคนที่คนอื่นจะรักนั้นโดยปกติต้องมีคุณสมบัติอันเป็นเหตุให้เขารักหรือสะดวกแก่การที่จะรักให้เขารักได้โดยไม่ต้องฝืนใจในที่นี้ทรงแสดงคุณธรรมนั้นไว้ห้าประการคือ 1. ศีล 2. ทัศนะ์สตั้งอยู่ในธรรม 4. พูดจริงและทําทหน้าที่ของตน 1. ศีลโดยใจความก็คือความประพฤติ ด, ดีทั้งทางกายและวาจาอีกในยหนึ่งหมายถึงการเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางกายและทางวาจาพระอัตถกถาจารย์ผู้อธิบายพระพุทธภาษีนี้บ่งถึงจตุปาริสุทธิศีลสี 4, คือก่อปาติโมขสังวรสํมรณ์ในปาติโมกล่าวคือศีลวินัยตามภูมิชั้นของตนของต น, งตนเช่น พระสำรวมในศีลสองร้อเ็ดอุบาสกอุบาสิกาสำรวมในศีลห้าศีลแปเป็นต้นขออินทิยะสังวรสำรวมอินสี์ทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ยินดียินร้ายในการเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นขออาชีวปริสุทธิความมีอาชีพบริสุ์เว้นมิตรอาชีพโดยประการทั้งปวงงปั จ, จัยสันนิ นสิสิตศีลคือศีลเกี่ยวกับปัจจัยสคือบริโภคใช้สอยปัจจัยสีด้วยความระวังพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงบริโภคใช้สอยไม่บริโภคใช้สอยเพื่อติดในปัจจัยสจะเห็นว่าศีล2อรของพระนั้นเป็นเพียงหนึ่งในสีที่พระควรจะมีเท่านั้นในศีลสีประการ น, นี้อินทรียสังวรสาคัญที่สุด มีอินสิยสังวรเสียอย่างเดียวอย่างอื่นก็พลอยมีได้หมดขาดอินสิยสังวรแล้วอย่างอื่นก็จะพลอยขาดไปด้วยสองทัศนะนั้นทรงหมายเอาสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคือเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นมูลฐานสัมมาทิฏฐิในองค์มรคนหมายถึงปัญญารู้อริยสัจสโดยครบถ้วนทั้งโดยรอบ3มอาการ12 สำหรับชาบ้านทั่วไปนั้นคนมีความเห็นดีคือคนไม่ขวางโลกขวางธรรมไม่ออกความเห็นฟุ่มเฟือยเกินไปจนไม่มีค่าและทําให้คนอื่นเบื่อฟังคนยิ่งมีความเห็นน้อยเท่าไหร่โอกาสที่จะถูกก็มีมากเท่านั้นทํานองเดียวกันคนมีความเห็นมากฟุ่มเฟือยก็ย่อมจะผิดมากสามตั้งอยู่ในธรรมคือสุจริตเว้นอธรรมคือทุจริต โดยปกติสุจริตมีผลเป็นสุขทุจริตมีผลเป็นทุกข์ดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พระอานนท์ถึงกรณียกิจและอกรณียกิจคือสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทำทรงระบุว่าสุจริตเป็นกรณียกิจมีอานิสงฆ์หประการคือตอนเองติเตียนตนเองไม่ได้ผู้รู้ใครควรแล้วสรรเสริญเกียรติอันงามย่อมฟุ้งไปทั้งสี่ทิศไม่หลงทำกาละ เมื่อทำกาละแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ส่วนทุจริตเป็นอกรณียกิจมีผลเป็นทุกข์มีโทษหน้าประการตรงกันข้ามกับสุจริตในพระคาถานี้พระอัตถกฐถาอาจารย์อธิบายไปทางโลกุตรธรรมเก้าคือมัค4ีผลสีนิพพานหนึ่งท่านกล่าวโดยประยายเบื้องสูงสี่การพูดจริงคือไม่กล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง คนผู้จริงย่อมเป็นที่รักนับถือเคารพและยำเกรงของผู้ได้คบหาสมาคมมีความอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องระแวงว่าใครจะจับผิดแล้วยกขึ้นกล่าวโทษไม่ต้องเสียเวลาจำเรื่องที่เคยโกหกไว้ว่าอย่างไรถ้าทำหน้าที่ของตนได้อธิบายไว้บ้างแล้วในเรื่องที่8แห่งสุขวัคคือวักก่อนแต่วักนี้ ท่านผู้ต้องการโปรดพริกไปดูในเรื่องนั้นในที่นี้ท่านอาธิบายโดยประยายเบื้องสูงคืออธิศีนอธิ จ, จิตและอธิปัญญาว่าเป็นหน้าที่ของตนกล่าวคือให้ใส่ใจในเรื่องศีลสมาธิและปัญญานั่นเองความจริงก็เป็นอย่างนั้นในที่นี้พระพุทธเจ้าทรงเทศนาสอนพระดังนั้นจึงทรงย้าให้เห็นว่าหน้าที่ของพระโดยตรงก็คือการทาศีลสมาธิและปัญญาให้บริบูรณ พระโสดาบันและพระสักทาคามีนั้นได้ชื่อว่าเป็นศีลปริปุรีคือมีศีลสมบูรณ์พระอนาคามีได้ชื่อว่าสมาธิปริปุรีมีสมาธิสมบูรณ์พระอระหันต์ได้ชื่อว่าปัญญาปริปุรีมีปัญญาสมบูรณ์คนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้ย่อมเป็นที่รักที่พอใจและเป็นที่กระยิมของคนทั้งหลายดังเช่นพระมหากรสปเทระ กับเด็กขายขนมจำนวนมากดังเรื่องต่อไปนี้วันหนึ่งพระศาสดาพร้อมด้วยภิษุสง์จำนวน500และพระอสิติมหาสาวกเข้าไปบินทบาตในเมืองราชครืทอดพระเนธเห็นเด็กประมาณ500คนถือขนมออกจากนครไปยังสวนแห่งหนึ่งเพื่อขายในงานมหรสศ เด็กเหล่านั้นเห็นพระาศาสดาแล้วถวายบังคมแล้วหลีกไปไม่กล่าวกับภิกษุแม้สักรูปหนึ่งว่าท่านครับกระผมถวายขนมพระาศาสดาตรึกกับภิกษุทั้งหลายว่าอยากฉันขนมไหมขนมที่ไหนพระเจ้าข้าภิกษุทูลถามพวกเธอไม่เห็นพวกเด็กถือขนมผ่านไปดอกหรือเห็นพระเจ้าข้าแต่เชื่อว่าเด็กพวกนั้นคงไม่ถวายขนมแก่ใครเจ้าของขนมกาลังมาข้างหลังนะ ภิกษุทั้งหลายฉันขนมเสียก่อนเถิดแล้วค่อยไปตัดดังนี้แล้วจึงส่งชวนภิกษุทั้งหลายนั่งพักใต้ร่มไม้เพราะองค์เองก็ประทับนั่งใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเหมือนกันพวกเด็กเห็นพระมหากระสปะเดินมาเกิดความรักขึ้นมีสรีระเต็มเปี่ยมด้วยกำลังแห่งปีติวางกระเช้าขนมไว้พระเถระแล้วยกกระเช้าขนมขึ้นตวายพร้อมกล่าวว่านิมนรับเถิดท่าน พระเถระกล่าวกับเด็กพวกนั้นว่าพระศาสดาพาภิกษุสงฆ์ไปประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้นั้นพวกเธอจงถือธยธรรมนี้ไปถวายและแบ่งถวายภิกษุสงฆ์ด้วยพวกเด็กรับคำพระเถระแล้วถือกระเช้าขนมเดินกลับไปพร้อมกับท่านถวายขนมแล้วมองดูอยู่ณนะที่อันสมควรแก่ตนเมื่อฉันเสร็จแล้วพวกเด็กได้น้อมน้าเข้าไปถวายพระเถระ พวกเด็กได้ถวายขนมแก่พระาศาสดาพระมหากระสปะเทระและพระสงฆ์อื่นๆจนพอความต้องการพิกษุทั้งหลายโพธนากันว่าพวกเด็กถวายขนมเพราะเห็นแก่หน้าไม่ต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระมหาเทระทั้งหลายอื่นพอเห็นพระมหากระสปะเท่านั้นก็รีบเอาขนมมาถวายพระาศาสดาทรงสดับถ้อยคําของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเช่นกัสสปะบุตรของเราย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ย่อมพอใจบูชาเธอด้วยปัจจัยสี่โดยแท้ดังนี้แล้วได้ตัดพระคาถาว่ามหาชนย่อมรักท่านผู้มีศีลมีความเห็นดีตั้งอยู่ในธรรมพูดจริงเป็นปกติและทำงานอันเป็นหน้าที่ของตนมีนยะดังพรนนามาแล้วแต่ต้นเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันเนาะ ม, มีความแตกต่างกันนี่ย มันก็มีพิเศษเหมือนกันเนี่จะว่าท่านทุกองท่านไม่ดีหรือก็ดีแต่ความมีสเสน่ห์บางอย่างเนี่มันมีอยู่ในตัวของใครของมั น, นะนเออั้นบางคนนี้แค่เห็นหน้าเท่านั้นะเห็นหน้าก็มีความรู้สึกสศรัทธาเรื่อมใส่นี่ยอย่างไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเห็นแล้วก็เกิดศรัทธาเลยก็มีน เห็นกิริยามรายาตหรือบางคนเห็นพูดออกมาก็ศรัทธาก็มีมีหลายๆอย่างแต่คนเราถ้ามีพร้อมด้วยศรัทธาแล้วก็พร้อมที่จะให้ได้เพราะศรัทธานี้มันจะเป็นปัจจัยไปสู่ความรักเมื่อมีความรักมีอะไรก็อยากจะให้แต่อันนี้เป็นพระอริยสาวก ที่คำว่าความรักเด็กมันรักรักในความดีของท่านเนะี่ยรักในปฏิปทาของท่านนะเห็นแล้วเกิดความเมตตาหนะมายถึงว่าเห็นหน้าท่านแล้วท่านหน้ามีความเมตตานะี่ยเด็กก็มีความรักนะี่บางคนเห็นหน้าแล้วมันวิ่งหนีไปเลยก็มีนะี่พอเหลือบตาไปวิ่งหนีหมดเด็กนะบางคนเดินไปมองหน้าวิ่งเข้าไปหามันแปรกันนะแสกสายตานะี้ อันนี้มันก็เป็นพรสวรรค์และเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้มีคุณธรรมแต่ทั้งนี้ทางนั้นนั้นท่านสั่งสมคุณธรรมเนี่ยว่ายมาไม่รู้เท่าไหร่นี่จนกระทั่งว่าเกิดความสมบูรณ์ลักษณะเหมือนพระศิวลีใช่ไหมนี่พระศิวลีนี้เวลาท่านไปไหนพระเป็นพันเป็นหมื่นนี่ไม่อดนี่ถึงว่าท่านมีลักษณะพิเศษเนี่คนถ้าได้ยินว่าพระศิวลีจะไปที่ไหนเนี่ย โอ้ยแห่กันมาทำบุญให้ทานให้องค์อื่นก็ได้พลอยได้อานิสงส์ไปด้วยเนี่พราะท่านสร้างบา ร, รมีมาแล้วอธิษฐานจิตว่าคำว่าไม่มีอย่ามีเหมือนพระอนุลุกธะนเนี่ยบอกว่าความอดความอยากอย่าได้มีไปที่ไหนก็ให้เกิดความสมบูรณ์ตลอดเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าอธิษฐานอาวันนี้พรุ่งนี้ให้เกิดขึ้นนะ ท่านสร้างบา ร, รมี้องโอ้ยมันหลายหมื่นหลายแสนสเลยสรงไข่เลยถ้าเห็นปัจจุบันเคยพูดอยู่เสมอว่าอันนี้ก็ในธรรมบทท่านก็เคยกล่าวไว้ถ้าอยากเห็นผลจริงๆก็บำเพ็ญดูสิท่านบอาบำเพ็ญสัก12ปีนี่ไม่ให้ขาดนะ12ปีไม่ให้ขาดแม้ถ้าขาดวันหนึ่งต้องเริ่มต้นใหม่ <c oughs> ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะ ก็เรียกว่าบำเพ็ญสารานิยธรรมข้อเสียสละทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยหรือบิณฑบาตที่ได้มาโดยธรรมนี่ถ้าเป็นพระเนี่ยบำเพ็ญสิบสองปีนี้ผมมาพิจารณาดูถ้าบําเพ็ญติดต่อผมว่าไม่ถึง12ปีก็เห็นผลนี่แค่ห้าปีเนี่ยโอ๊ยกิตติศัพท์ก็เริ่มเลยโอ้ยองค์นั้นท่านโอ้ท่านดีเนาะอะไรเนาะนี่ก็จะได้ยินทันทีเลยเนี่ย ถ้าสิบกว่าปีนี้สมบูรณ์บริบูรณ์เลยนี่แต่ ว, ว่าจะเป็นคนที่ไม่อดไม่อยากเนี่ยพอสิบสองปีเนี่ยโอ้ไปที่ไหนคนก็รู้แล้วท่านองค์นี้นโอ้องค์ไหนนอยากเห็นองค์ที่ให้บ่อยบ่บําเพ็ญแม้แต่คนอยากได้ก็ถามหานี่คนที่อยากรู้อยากเห็นเพราะท่านบําเพ็ญทานบารมีที่ทำได้ยากนี่ก็อยากจะเห็นเหมือนกันนี่ ฉะนั้นไปที่ไหนท่านจึงไม่อดเหมือนกันนี่ผมว่าไม่ใช่เรื่องทําง่ายเลยเนี่ท่านไม่ได้ตั้งใจอธิษฐานจริงๆนี่ผมด้วว่าเห็นองค์หนึ่งสมัยผมมาอยู่แรกๆที่ยังไม่มาอยู่ที่นี่ผมมาทีไรเนี่ยมาชนบุรีเนี่ยเวลาไปบินธบาตถ้าเจอหลวงตาองค์นี้ประจําเลยแล้วหลวงตาต้องใส่ประจํำใส่บาตร เรเาเดินออกไปแล้วตามแล้วมาเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับผมขอใส่บาทหน่อยจะตามใส่บาทเด้ทุกครั้งเลยถึงท่านจะเอาของในบาทเท่านั้นแหละแ บ, แบ่งแบ่งแบ่งใส่บาทให้องค์อื่นแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผมนะองค์อื่นท่านเห็นท่านก็ไปเปิดใส่ให้ใส่ให้นี่นี่ลักษณะนี้เขาเรียกว่าก็เลยบอกว่าท่านคงยัมีความปรารถนาอะไรสักอย่างนี่ย บำเพ็ญบารมีเหมือนประสิวรีหรือเปล่าเนาะ ก, ก็เป็นไปได้อย่างน้อยๆก็ท่านก็ได้สุขในปัจจุบันเนี่ยการให้นี่มันได้สุขในปัจจุบันเนเพราะจิตใจของผู้ให้ย่อมเป็นสุขกว่าคนที่มีจิตใจที่จะเอาได้ไหมภาสิทธ์ก็มีอยู่แล้วเนี่ยถ้าคิดจะให้แล้วมีความสุขเนี่ยยังไม่ได้ให้ก็ยังมีความสุขแล้วเนี่ยแต่คิดจะเอานี่ยังไม่ได้เอาก็ทุกข์แล้วอีกเหมือนกัน จ ร, จริงๆมันธรรมะก็อยู่ใกล้ๆแต่ว่าคนส่วนมากก็ไม่ได้พิจารณาก็เลยไม่เห็นอานิสงส์ก็เลยทำตนสนองความอยากหรือตันหานะมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งไม่ยาวนะสั้นๆเอาอีกสักเรื่องหนึ่งเรื่องที่8ผู้มีจิตใจไม่ปฏิพัทิ์ชนทชาโตอนาคเตมะมณสาจะ ภูโถสิยากาเมสุอปติพัทธจิตโตอุดทางโสโตติวจตินีพุทธภาสิดนี้แปลว่าภิกษุผู้มีฉันทะเกิดแล้วในพระนิพพานอันบอกไม่ได้เป็นผู้มีใจอันอริยผลถูกต้องแล้วมีจิตไม่เกี่ยวกเกาะในกามทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้มีกระแสเบื้องบน ข้อว่ามีชั้นท่าเกิดขึ้นแล้วในพระนิพพานอันบอกไม่ได้นั้นหมายถึงท่านผู้ที่ได้ดิ้มรถแห่งพระนิพพานแล้วอย่างน้อยที่สุดก็รถแห่งโสดาปฏิผลอันเป็นรถชั้นต้นมีความพอใจในรถนั้นเพราะเป็นรถอันยอดเยี่ยมจึงมีอุตสาหะเพื่อให้ได้รับรถอันสูงขึ้นไปอีกบุคคลโดยปกติเมื่อได้รับความสุขในการกระทาเช่นใดย่อมต้องการทาเช่นนั้นซ้าอีก การพอใจกระทําซ้ําแสดงว่าการกระทําเช่นนั้นก่อให้เกิดความสุขความพึงใจอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนเพราะโดยธรรมดามนุษย์และสัตว์โลกทั่วไปพยายามเลี่ยงหนีการกระทําอันก่อให้เกิดทุกข์หรือขัดขวางความสุขแห่งตนข้อว่าพระนิพพานอันบอกไม่ได้นั้นอธิบายว่าใครบอกให้ก็ไม่ได้เมื่อตอนบรรลุถึงแล้วจะบอกใครก็ไม่ได้ด้วยที่บอกได้ก็เพียงทางหรือมัก อันนำไปสู่นิพพานเท่านั้นเปรียบเหมือนรสเปรี้ยวหรือรสหวานย่อมจะรู้กันได้เฉพาะตนข้อว่ามีใจอันอริยผลถูกต้องแล้วนั้นอธิบายว่าใจได้รับรสแห่งอริยผลอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้หมายถึงอาณาคามิผลเพราะข้อความต่อมาว่ามีจิตไม่เกี่ยวกัะในกามทั้งหลายทั้งนี้เพราะพระอนณาคามีละกามได้อย่างเด็ดขาดแล้ว ข้อว่าเป็นผู้มีกระแสเบื้องบนนั้นความว่าพระอนาคามีเป็นผู้ไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกท่านไปสู่พรหมโลกชั้นสุดทธาวาดแล้วนิพพานในพรหมโลกนั้นทีเดียวเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวนารา ม, มืองสาวัตถีทรงปรารบอนาคามีเทระรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งสิทธิ์ของพระเทระถามท่านว่า ท่านได้บรรลุมรคอันเป็นคุณพิเศษบ้างแล้วหรือยังเวลานั้นพระเถระเป็นอนาคามีท่านไม่ประสงค์จะบอกสิทธิ์ในมรคนั้นเพราะละอายว่าอนาคามิผลนั้นแม้ครือขัดก็บรรลุได้ท่านตั้งใจว่าจะบอกสิทธิ์เมื่อได้บรรลุอรหัตผลแล้วดังนี้แล้วจึงนิ่งเสียไม่ได้บอกอะไรแก่สิทธิ์เลยต่อมาท่านทากาละไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสพวกสิทธิ์ วงเล็บคือสัตวิวหาริกของท่านเสียใจร้องให้คร่ำครวญไปพ่อภาษาสดาพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าอย่าคิดอะไรมากไปเลยความตายเป็นธรรมที่ยั่งยืนภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเหตุที่เศร้าโศกมากก็เพราะเข้าใจว่าพระอุปชฌาย์ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรด่วนทากาละเสียก่อนพระทศพลตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอย่าคิดอย่างนั้นเลย พระอุปัชฌายะของพวกเธอบรรลุอนาคามิผลแล้วแต่ละอายอยู่ว่าอนาคามิผลแม้พวกคฤทธหัตก็บรรลุได้จึงไม่ได้บอกพวกเธอเขาตั้งใจว่าเมื่อบรรลุอรหัตแล้วจกบอกเธอทั้งหลายแต่ยังไม่ทันได้บรรลุทำกาละเสียก่อนบัดนี้ท่านไปเกิดในเทวโลกชั้นสุทธาวาสแล้ววางใจเสเถด ภิกษุทั้งหลายอุปชายะของพวกเธอถึงความเป็นผู้มีจิตไม่เกี่ยวเกาะในกามทั้งหลายแล้วเป็นผู้มีกระแสในเบื้องบนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อไปว่าภิกษุผู้มีฉันทะเกิดแล้วในพระนิพพานอันบอกไม่ได้เป็นผู้มีใจอันอริยะผลถูกต้องแล้วมีจิตใจไม่เกี่ยวเกาะในกามทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้มีกระแสในเบื้องบนมีนิยะดังปรนนามาแล้วแต่ต้น เมื่อจบพระธรรมเทศนาพิกษุทั้งหลายนั้นได้บรรลุอรหัตผลอยังธรรมกคาสาธายสมันเตหิสันลเกเคตภาติ ไม่ก่อนบนรรลุทํำเร็วนะฟังธรรมครั้เดี๋ยวก็บรรลุไปแล้ว อ, อาจารย์ยังไม่ถึงเลยลูกเสร็จไปแล้วได้ฟังธรรมอาจารย์ตึงไปพรมโลกต้งไปนิพพานพรมโลกนั่นมันเป็นเรื่องของจิตใจกระแสจิตกระแสจิตที่มีศรัทธาเป็นพื้นนะมีศรัทธาเป็นพื้นศรัทธาดิ่งสู่ธรรมะ แล้วศรัทธาก็กำลังหนุนไปสู่ปัญญาในการพิจารณาเนี่ยคนที่มีปัญญาเนี่ยมันเป็นมีกำลังสำคัญเนี่ยที่จะให้พิจารณาปัญญาก็ย่อมเกิดขึ้นในตัวถ้าไม่มีศรัทธาแล้วก็เหนื่อยหน่ายเนี่ยเหนื่อยหน่ายไม่อยากพิจารณาปัญญาก็ไม่เกิดเนี่ยถ้ามีศรัทธาปัญญาก็เกิดไม่มีศรัทธาปัญญาก็ไม่เกิดเหมือนกันเนี่ย ศรัทธาถ้าเรียกอย่างหนึ่งว่าความพอใจก็ได้ชันท่เป็นชันท่ า, ทามคล้ายๆกันเนี่ยถ้ามีความพอใจเนี่ยมันก็เป็นองค์ธรรมแห่งความสาเร็จอยู่แล้วเนี่ยมีความพอใจก็มีวิริยะมีอุสาฮะคนที่มีความวิริยะมีความภาคเพียรเนี่ยเมื่อภาคเพียรไปแล้วก็ไม่ทิ้งธุระคือพิจารณาไปด้วยเนี่ย เอาใจฝักไฝเอาใจจดจ่อในในสิ่งนั้นในขณะเดียวกันก็พิจารณาไปด้วยนี่มันก็ครบครบกับองค์ของอิทธิบาทนี่มันจึงทำให้เกิดความสำเร็จได้นี่อาจารย์นวัฒยังความพอใจให้เกิดขึ้นสร้างความพอใจให้เกิดขึ้น ถ้ามีความพอใจเนี่ยพิจารณาอะไรมันก็เข็นความลึกซึ้งของสิ่งนั้นเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ไม่เข้าใจเนี่ยแต่ว่าศรัทธาอะไรเนี่ยก็สู้ศรัทธาต่อพระตนตรัยไม่ได้นี่ที่ว่าสู้ไม่ได้เพราะศรัทธาอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นโลกิยะเนี่ยพอใจในสิ่งอื่นมันเป็น โลกิยาเนะี่ยถ้าเป็นสุขก็เป็นโลกิยะสุขไม่ใช่โลกุตตะสุขเนี่ยนี่มันเป็นทางโลกหมดเนะี่ยแต่ถ้าพอใจในธรรมเนะี่ยมันแน่นอนเนี่ยพอใจหรือศรัทธาที่ว่าศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทําให้เราเพ่งพินิษพิจรนารณาเนะีนะ่ยนะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนะี่ย มีความพยายามมีความเพียรเน่ที่จะศึกษาพระพุทธคุณศึกษาพระธรรมคุณศึกษาพระสังฆคุณให้เกิดความเข้าใจท่องแท้เนี่ยถ้าจับหลักได้นแม้แต่พุทธประวัติเองนะถ้าเราศึกษาพุทธประวัตินีพิจารณาดีๆไปด้วยนี่ก็ยังสร้างปิติให้เกิดขึ้นได้เลยเนี่ยคือมันเกิดเกิดความอัศจรรย์ขึ้นในจิตเนี่ย โสมกับทีรร่เะเป็นบุคคลเอกในโลกเป็นศาสดาของโลกคือเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดานสามัญชนคนทั่วไปเนี่ยแม้จะมีตำแหน่งสูงขนาดไหนก็คิดไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยเทว่าเป็นอัจฉริยะมนุษย์เป็นมนุษย์พิเศษจริงจริเนี่ยถึงคิดได้เนี่ยเราคิดในสิ่งที่คนทั่วไปคิดไม่ถึงเนี่ย แล้วคิดไม่ถึงแล้วก็ไม่อยากคิดด้วยคิดไปทําไมมันไรสาระเนี่ยเหมือนวันัญโยมเข้ามาเนีกก่ยเขาบอกว่านี่พระนี่ไรสาระเขอบอกชีวิตพระไรสาระก็บอกแต่ก็บอกว่าความคิดนี้ความคิดแต่ก่อนเขอบอกแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วก็บอกแต่ก่อนเนี่ยเวลาใครมาพูดเรื่องพระโอ้เรื่องไรสาระพระนี่ไรสาระเขาบอก เรื่องอะไรหมดนี้สังคมมาอยู่สบายนี่ยไม่คิดจะทำอะไรมองเห็นไปสุดโต่งเลยนก็คิดว่าความคิดเห็นของตเองนะถูกเ่ยยังไม่ได้เข้ามาศึกษาเลยยังไม่รู้เรื่องเลยนี่แล้วก็เชื่อความคิดตนเองไปก่อนแล้วนี่นี่คนันอันตรายเหมือนกันนะนี่ก็เหมือนหลายๆองค์ครูบาอาจารย์เนาะ เอาถ้าอะไรสาระก็เข้ามาดูลองดองดูสิลองปฏิบัติดูสิมันไรสาระไหมนี่พูดแต่ปากก็ไม่ทำเนี่ยนี่มันไม่ได้ถ้าเป็นผู้รู้จริงๆนักปราชญ์จริงๆเขาไม่พูดก่อนทํานีถ้าไม่พิสูจน์ก่อนแล้วเขาไม่พูดหรอกนี่มีแต่คนที่ไม่มีอะไรเนี่มีแต่กิเลสอยู่ในใจนีนึกอย่างไรก็พูดอย่างนั้นนีซึ่งไม่มีเหตุไม่มีผลเพียงพอนีบางทีตนเองก็ไม่ทําก็สรุปไปก่อนแล้วเนี่ย ผมก็อาจจะเคยเล่าให้ฟังผมก็ไปเจอภาพหน่อบวชใหม่ๆเพิ่งสองพรรษาเองท่านไม่ออกจากอุปชาอาจารย์ไปอยู่คนเดียวแต่ว่าห้องเล็กๆอุย้ยตาราแน่นห้องเลยเรียกว่าสี่ด้านมีแต่ตำราท่านก็กระยิมนะก็ยิมกย็ยิมในใจของท่านว่าท่านปฏิบัติถูกพอดีผมไปอยู่ภาคใต้เนี่ยไปก็ พอดีมันจะคํำแล้วเห็นเอตรงนี้ดูทำเลดีๆก็เลยเข้าไปเห็นท่านอยู่เนี่ยก็มีพระหลายองค์อยู่แต่ท่านแยกอยู่ต่างหากเนี่ยเห็นท่านก็เห็นท่านก็ตื่นเต้นเหมือนกันอยากจะอยากจะพบเราเหมือนกันเนี่ยก็เลยไปนั่งคุยกันเนี่ยท่านก็ถามมาพวกท่านเดินทุดงเลยครับเดินทุ่ดงไปไหนบ้างอะไรบ้างเนี่ย ก็บอกว่าก็ไปแบบว่าจุดหมายไปทางแน่นอนก็ไม่ค่อยมีแหละแต่ที่ไหนว่าเป็นถ้ำเป็นเขาเป็นป่าเป็นอะไรก็แสวงหาท่าก็ถามเหมือนธรรมนองว่าจุดประสงค์จุดมุ่งหมายเพื่ออะไรทรรมนองเนียก็ได้คุยกันท่านก็บอกว่าจริงๆถ้าเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยการเดินลักษณะนี้มันไม่จำเป็นท่าน ไม่จำเป็นนะเนี่ยพราะถ้าเข้าใจเนะี่ยแม้แต่การอะไรนะอยู่ป่าอยู่ป่าช้าเนี่ยก็ไม่เห็นจะมีอะไรท่านบอกนี่ถ้าใจเราเข้าใจแล้วเนะี่ยท่านสรุปเราเลยนะเนยท่านบอกว่าอยู่ป่าช้าหรือผมก็ศึกษาแล้กวก็ไม่เห็นจะมีอะไรป่าช้าคิดเอาเองหมดเลยเไปอยู่ถ้ำก็คิดเอาเองหมดเนี่ย คืออ่านในตำราหมดเลยอ่านไม่หมดแล้วก็สุบสรุปเอาเองเลยนี่การบรรลุธรรมะนี่ไม่ต้องอยู่ท่ามอยู่เขาอยู่อะไรทั้งว่าไปนี่ความเข้าใจธรรมะนั่งอยู่อาสนะเดียวมันก็บรรลุธรรมแล้วแหมฝึงสองพรรษานะเนคเจ๋งนะเพื่อนองค์หนึ่งทนไม่ได้นะคนพางตายด้ยวยกัน น, ะนี่ผมถามหน่อยท่านเคยอยู่ป่าไหมเคยอยู่คนเดียวในป่าไหมก็ยังไม่เคย ท่านเคยไปอยู่ป่าช้าไหมก็ยังไม่เคยดีนะท่านไม่โกหกท่านไม่โกหกถามอะไรก็ไม่เคยโอ้แสดงว่าท่านก็คิดเอาเนาะสรุปเอาเนี่ยท่านบอกว่าความคิดนี่มันก็เชื่อไม่ได้นะเลยเลยพูดในฟังว่าเราคิดแล้วจะสรุปเอานี้มันก็ยังใช้ไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะความคิดกับความจริงคนละอย่าง ก็เลยเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังว่าลูกศิษย์ล้มพระชาเองแหละผมก็เคยเล่าบ้างแล้วที่ท่านบอกว่าไปเยี่ยมปราชาหน่อยนะนี่มีองค์หนึ่งไม่รู้จะไปทําไมปราชาไม่เห็นจะมีอะไรต้องก็คิดอย่างนี้นี่ท่านก็บอกคาความคิดให้มันติดความคิดตนเองก็เลยไม่ไปไงพะคิดว่าไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรคนตายแล้วก็แขนั้นแต่มาผีสางอะไรท่านก็บอกไม่เห็นจะมีอะไรหรอก ก็เลยไม่ไปไงไปมันก็คงไม่ได้อะไรนะี่หลวงพ่อวันที่สองก็พูดอีกนีพอทําว่าเสร็จจไปเยี่ยมประชานหน่อยนะใครว่างๆหน่อยนี่ไปดึกๆึ ก, กห้าทุมท่มหทุ่มไปเยี่ยมประชานหน่อยอะไรหน่อยแต่ก็พูดไม่หยุดนะนะเหมือนกับเจาะจงพระองค์นี้จริงจริงนะี่เขาไปมานานวันเขาเห็นนั่นพูดบ่อยๆทาไมหลวงพ่อพูดไม่จบเลยก็เลยนึ่งไว้เรานนี้ก็คิดอยู่ใน ใ, นใจว่า ไม่เห็นจะมีอะไรเนะี่ยไปแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะคนตายแล้วก็แล้วไปนะธรวัดจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันก็ธรรมดาเนะี่ยมีวันหนึ่งเห็นท่านพูดไหวนะักถ้าไม่ไปก็คงจะเหมือนกับคาใจเมื่อกาท่านจะไม่หยุดพูดทำเรานี่นะก็เลยคิดจะไปวนะ่า <c ười> คืนนั้นคิดจะไปพอคิดจะไปแต่แล้วขับมากลับจากสวดมนมต์ทำวัดนี่ยสี่ทุ่ม เตรียมห่มผ้าห่มอะไรก้าวย่างขาหนูเอ๊ะทำไมมันแปลกๆปกว่กมันกำลังเงียบสงบนะทุสี่ทุ่มห้าทุ่ ม, มโอ้ยออกไปพ้นกุฏิเอ๊ักโลเลวโลเลก้าวขาไปไม่ได้จริงๆนะวรไปไม่ได้จริงๆแต่กลัวจะเสียฟอร์มก็ไม่บอกใครนะต้องทำให้มันได้ซะก่อนถึงจะบอกใครได้เพราะตนเองมีทิฐิมากนะวันที่สองก็เอาอีกมันก็เป็นอีกคําบอก เป็นอีกวันที่สมที่4ี่ทัทงว่าพยายามตั้ง1ิบวันเนะี่ยิวันถึงไปถึงได้โอ้ไปถึงได้ไม่ใช่ว่ามันจะทำใจได้ทัโอ้ถึงเข้าใจว่ามันไม่เหมือนความคิดจริงๆเนะอะถึงนึกถึงคำหลวงพ่อชานะี่นี่ไป1ิบวันไปถึงได้แล้วถึงมาสารภาพกับหลวงพอ่อโอ้โหแล้วท่านบอกว่านึกว่ามันจะคิดเอามันจะเป็นเหมือนความคิดเนะี่ย แต่ว่านั่นแหละจะไปเชื่อความคิดได้ยังไงเนี่ยความคิดไม่ใช่ความจริง ม, มันคนละอย่างกันนะคิดเอาทั้งหมดโอ้สร้างวิมานได้หมดแต่มันไม่ใช่ความจริงนั่งอยู่เฉยๆคิดไปเหมือนจะทําได้หมดทุกอย่างเนี่ยไปทำจริงๆอันนั้นก่ติดอันนี้ก็ติดอันนั้นก็ยุ่งไปไม่ได้สักอย่างนเนี่ยท่านก็เปรียบเทียบว่าเหมือนพระอยากศึกไป ทำมาค้าขายท่านว่ามันนั่งบินตบาทฉันสบายที่นั่งหลับตายคิดโอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวไปลงทุนเท่านั้นได้มาเท่านั้นเอานี้ใส่เท่านั้นได้กำไรเท่านั้นต่อไปอีกได้มันนั่งอยู่เฉยๆมันก็สบายสิทลกพอออกไปจริงๆตายแล้วไม่มีกี่น้ำเลยผมก็มีเพื่อนเหมือนกันเนี่ท่านก็คิดอย่างนี้เหมือนกันสุดท้ายก็สึกไปเหมือนกันนมันอยู่ไม่ได้สึกไป ก็ความรู้ท่านแค่เป็นช่างเป็นช่างเคยทำอู่ไงนะอู่รถนะแต่มาบวชอยู่ตั้งนานหลายปีแล้วนะคิดว่ามันจะเหมือนเดิมนะพอออกไปมันมันถนัดเรื่องไหนมันก็ทำเรื่องนั้นได้เรื่องอืง่นทำไม่ได้อยู่แล้วปรากฏว่าค่าครองชีพมันก็สูงเนะี่ยการที่จะลงทุนมันต้องซื้อนู้นซื้อนี่ใช่ไหมอุปรกรณ์ที่จะมาตังม์แม้จะซื้อมันยังไม่มีทุนจะซื้อพอเลย มีทุนอยู่สี่ห้าหมื่นเนี่ยซื้อน้นซื้อนี่มาก็ยังไม่พอเลยสุดท้ายต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปกู้นีดีนะไปกู้นี่ของพเพื่อนอีกรูปหนึ่งเนี่ยเขาก็าใจดีหน่อยปรากฏว่ากู้หนี้มาเพิ่มมาอีกสามสี่หมื่นไปไม่ได้อีกเหมือนกันไปไปเคาะไปพ่นสีรถนะโอยสุดท้ายก็ไปไม่รอดเลยเจ๊งไปหมดเลยมา มาหาผมผมมาอยู่นี่แล้วแหละนี่มามากอดแข้งกอดเขาโอ้อาจารย์ผมแย่แล้วช่วยผมหน่อยบอกว่าโอ้ยแต่ก่อนนราไม่เห็นเทศเปลาเปลเก่งยังก็อะไรทำไมออกไปแล้วช่วยตัวเองไม่ได้เลยหรือเลยแซวกั น, นเป็นเพื่อนกันมันไม่ไหวจริงๆว่ะแต่สุดท้ายก็พ่ออยู่นานเป็นนักเทศนะเทศเก่งด้วยไปด้วยกันเคยไปทุดงด้วยกันด้วยทเทศเก่ง คนติดนะเทศแม้แต่โยมยายพวกนี้กลุ่มชนบุรีนี้ยังติดเลยนี่มามาด้วยกันนตะ่นแต่ตายก็ไปเจอเนี่ยแนะพี่สาวของเพื่อนเขาช่วยช่วยแล้วเมื่อเห็นว่าไปไม่รอดเขาก็สงสารสงสารก็เป็นหนี้เขาด้วยเนะี่ยไปไหนไม่รอดจะแย่เลยนะเขาก็เลยเอาไปช่วยงานอยู่บริษัทเขาให้ขับรถขนของให้ เป็นการใช้หนี้เข้าไปในตัวทำงาน <c oughs> เขาก็ให้อยู่ให้กินกับเขานั่นแหละเนี่ยแล้ให้ทำงานเขาก็ใจดีเขาเป็นคนใจดีสามสี่หมื่นได้ช่วยเขาอะไรเขาบ้างเขาก็ไม่ได้คิดเอาอะไรเลยนแล้วก็มองหางานให้ด้วยตอนหลังมาก็ไปฝากขับรถให้อธิบดีกรมปรศุสัตว์เนี่ก็ยังช่วหน่อยมา เก็บเงินเดือนเงินอะไรพอได้ส่งหนี่เขาคงจะจบแล้วลวนะเดี๋ยวนี้หายคงมมจะแก่มากแล้วไม่เจอหรือตายไปแล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นมาอีกเลยนะแต่ก็มีคุณอยู่นะตอนนั้นที่เราว่าที่มาไปทุดงหลังสุดที่มาอย่างนี้แล้วนะที่ว่าจะเดินผ่านกรุงเทพมาเนะี่ยมาที่สะพานพระปิ่นเกล้าเนะผมก็ ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเนะ่ยนี่พไม่มีประสบการณ์เรื่องในเมืองหลวงเลยอะ่ะจะไปยังไงนาะไปกันเราก็พาเขาตามมาสามสี่รูปเนี่ยรถเข้าส่งมาจากการจน บ, บุรีเนี่ยคากลับเนี่ยพอจะกลับเร็วหนอ่อยรถบรรทุกนะเขาว่าผมจะไปถึงเข้ากรุงเทพอยู่เหมือนกั น, นแต่ว่าเข้ากรุงเทพเข้ามาฝั่งทนนะเนี่ยนะไปถึงไหนก็ถึงนั้นมัน ประหยัดเวลาอีกหน่อยเพราะจะกลับหน้าฝนมันจะตกแล้วมาก็มาส่งลงขนส่งสายใต้นี่ลงตรงนั้นก็ปัดใจอะไรก็ไม่มีมิตรภาพเลยไปยังไงเนาะเราก็เป็นหัวหน้านี่ไม่ได้คุ้นเคยกับกรุงเทพเลยนึกอย่างเดียวก็นึกถึงรถเมย์รถเมยก็ไม่ไม่คุ้นเคยกับสายนี้ด้วยนี่ สายที่คุ้นเคยก็คุ้นเคยมากที่สุดคือปากคลองตลาดกับเอกไมต้องนั่งต้นสายมันสาย40แต่ก่อนเนะี่ยถ้าไปขึน้นไปขึ้นก่อนเขาไม่ได้นั่งหน่อยแต่ไปขึ้นกลางทางลําบากมาลงเอกไมเลยได้แต่สายอื่นไม่รู้เรื่องเลยทํำยังไงเลยอ๋อดันมันไปนี่แหละก็พอดูแผนที่ก็คิดว่าเข้าสะพานพระเกตุเป็น9า้ารัตสนามหลวงมามาทาง อะไรถนนอะไรมาทางวงเวียนยีบสองนะมาหัวลําโพงก็คิดว่าถ้ามาถึงหัวลำโพง <c oughs> ก็คงจะมาได้ <c oughs> มาสุขุมวิทมาเนี้ลุยกรุงเทพเลยเนะี้ยลำบากเหมือนเดินมาเดินมาถึงสะพานพระปิ่นเกล่านะยังไม่ได้ขึ้นสะพา น, เ, ออานเดินลงใต้สะพานเดินเดินลงมาว่าจะมาพักสักหน่อยหนะึ่งมานั่งเดี๋นั่งคิดว่าจะวางแผนยังไงนะียสักพักหนึ่งมีคนวิ่งมาหา คนเรานี่ได้เคยทำบุญร่วมกันนี่มันก็มันมันก็สำคัญเหมือนกันมั น, ม, นมันมีเหตุได้ช่วยเหลือกันได้เลยเนียวิ่งตามมาบอกโอ้ท่านท่านอาจารย์จะไปไหนอโอ้จะไปชนบุรีอะิเขาบอกบริษัทนั้นเขานนีมนให้ไปปลานก่อนเขาบอกให้ไปลานเฮ้บริษัทใครทีนี่เราก็นึกไม่ออกก็พอไปไปถึงอา้าวไปเจอ โยมพี่สาวของเพื่อนเนี่ยเป็นบริษัทจําชื่อได้อยู่ว่ายส c คอร์เรคเป็นอ m p o r t ์ตเอ็กเนี่โอ้ยเห็นห น, น้าโอยอุ่นใจขึ้นมาสบายใจเยอะเลยเีนี้ก็ผลกรุงเทพได้แล้วนี่ก็ถามกขากโอ้ยถ้างั้นนี้วนพักผ่อนก่อนเขาบอกพักผ่อนเขาก็ให้พักที่บริษัทเขาอยู่ชั้นบนรอให้เพื่อนที่สึกไปนั่นแหละที่ขับรถกนะ็เย เขาบอกว่ารอให้ไปส่งของกลับมาอาจจะค่ำหน่อยก็ให้เขามาส่งถึงวัดเลยไปเลยสบายเลยเลยไม่ได้เดินกข้ามาโชคดีเหมือนกันเนี่ยถือว่าสิ่งที่มันเกื้อกูลต่อกันเนี่ยมันทิ้งกันไม่ได้หรอกสมกับที่ท่านว่าความรักนี้เกิดขึ้นได้สองทางเนี่ยบุพเพสันนิวาสหนึ่งเ่ได้ส่งเคราะห์กันเคยเป็นเคยได้อยู่ร่วมกันมาแต่ก่อนนั่นนะ กับการสงเคราะห์กันในปัจจุบันนี่ก็เป็นเป็นสิ่งผูกพันเหมือนกันนะการสงเคราะห์กันในปัจจุบันนี่ก็ทําให้เกิดความรักนี่ก็อย่างที่เมื่อกี้นี้เราท่านสงเคราะห์อนุเคราะห์เนี่ยยางพระมหากระสปะนี้ท่านกระทําของท่านให้เกิดความรักเกิดความร่วมใส่ด้วยทุดงขวัตของท่านนะกิตติศัพท์ของท่านไปที่ไหนคนก็รู้ว่าโอ้ท่านนี้ เป็นพระมักน้อยสันโดษประพฤติปนป้อนน่น่ารักนี่น่าศรัทธาหน้าเรื่มใสนี่เห็นไไปที่ไหนใครก็อยากให้เองนี่ใครก็อยากได้บุญกับท่านนะแม้แต่เทพท่ิดาเองเห็นไหมจะมาทำบุญกับท่านขอบุญเพิ่มขึ้นท่านไล่ตะเพิดนี้ <c oughs> โอ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้เสียหายแม้เป็นเทวดาก็ทำคลหานินทาก็จะเกิดขึ้นกับท่านได้นี่ มีที่ไหนมาผู้หญิงมาคอยอุปถักต์ทำโน่นทำนี่ให้ไร แ, แต่เพิดอเสียใจท่านไม่ไว้หน้าเลยนะนังก็เรเลยว่าท่านรักษาวัดปฏิบัติวินัยของท่านนะี่ท่านจึงเป็นแบบอย่างของอนุชนเลยกเป็นเนติแบบอย่างนะสมกับที่ท่านกล่าวเอาไว้ที่พระเจ้าเนะนี่ยนิมนต์ให้ท่านมาห่มผ้าขะบดีจีวรก็เห็นว่าท่านแก่แล้วนะ การอยู่ป่าการอะไรก็ให้เบาๆลงท่านปฏิเสธหมดเลยแม้พระพุทธเจ้านิมนต์ท่านอย่างปฏิเสธเลยท่านยังยินดีที่จะใช้ผ้าบาังสุกุลอยู่พระพุทธเจ้าก็ถามเพืเ่อจะให้พระเนรได้เป็นตัวอย่างไงภาษาบุคคอื่นเนี่บอกว่าเธอเห็นอนิสงส์อะไรนี่ถึงไม่ยอมเลิกทุดงนี่นี่ยถ้งว่าข้าพระ อ, องค์เห็นอนิสงส์อยู่2ประการคือประการแรกประการแรกนี้ เป็นความสุขของข้าพระองค์เองในปัจจุบันคือทาจนเป็นอุปนิสัยของท่านแล้วเป็นความสุขของท่านแล้วอยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นความสุขนในสายตาคนอื่นอยากจะทุกข์โอยอยู่ลำบากเนาะแต่มันความสุขท่านเป็นความสุขของท่านนั่นคือสุขในปัจจุบันการที่2ท่านว่าเพื่อเป็นแบบอย่างของอนุชนรุ่นหลังคนรุ่นหลังม า, มาก็จะเห็นก็จะได้เห็นไง ถ้าากว่าท่านทิ้งไปแล้วทุกคนก็ทิ้งไปแล้วคนเกิดมาทีหลังก็ไม่เห็นพอไม่เห็นก็ทำอะไรไม่ถูกเนี่ยด้วยการที่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์เนี่ยกุลบุตรผู้ตามมาทีหลังเนี่ยผู้ที่มีศรัทธาเขาปรารถนาจะปฏิบัติอย่างนี้บ้างเขาก็จะได้เห็นเป็นแบบอย่างเนี่ยพระองค์เนีสาธุ ก, การเลยนะอนุโมทนาสาธุ ก, การด้วยบอกว่าดีแล้วเนี่ยบอกว่ากัสสะเธอทาดีแล้วอนุโมทนาเลย ท่าน จ, จึงเป็นผู้เลิศในธุดงควัตนี่ประมหา kasapa ร e นี่ประวัติท่านจนพรินิพานนีก็สำคัญเหมือนกันนี่มีความสำคัญมากเลย เ, ยเดี๋ยวค่อยศึกษากันดูประวัติภาษาบกมีอยู่แล้วนในอนุพุทธะก็มีมั้งนักธรรมสันโทนี่อนุพุท ธ, ธประวัติมีเรื่องของท่านวันนี้สมควรแก่เวลา